ค่ะจดโน้ตไว้ผิดต้น 10 พฤษภาคม 2534 ก็มา 11 มีนาคม 2511 ก็เดิน มีเรียนต่อแล้วก็มียนต์จากจังหวัด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 ที่เทียนทั่งคุ้มครองสถานที่อยู่แสดงองค์ <c oughs> เดินไปเดินก็นึกแปลกใจจึงถามถ้าเห็นว่าขนผมควรจะมาอยู่ก็ขอให้มาเด ท่านบอกว่าคุณน่ะควรมาอยู่แต่ว่าการอยู่ต้อง Daarom ga ik op de gaten met de tolken. Ga je me kwam een keer bij? Lang, ja, lang, ja, me midden. Ey. Hoe ga je me de punt aan de andere kant? Regelrecht, คำว่าแพ้นั้นหมายความว่าเขา เสด็จว่าไปที่กําลังใจของเรานี้แล้วเราก็เป็นพระที่คนจะการเคารพอย่างยิ่งจะเข้ามาอุ้มชู เรียกว่าเค้าจะรวมตัวกันทั้งหมดถ้าว่าเค้าจะกําจัดผม ถ้าเขาไม่ได้ทีหลัง ไอ้ที่ฝั่งถนนเทพธิดาชาวมี 370 ไร่เค้ารับผิดหนัก Kun die hij kun. ik zal mij leuken kun. Kun nu mij diegene, dat hij mij diegene, dat hij mij ขายได้ต้องไม่สนได้ในเมื่อคุณตรงไปตรงมาเค้าไม่ชอบใจแน่ก็ฐานะว่าควรจะอยู่ควร ก็สัมพันธ์สมควรถ้ามีสุนัข 50 ตัวด้วยกันกันฉันปะทหารก็เมื่อเห็นดูท่าว่าท่าทางไม่ดีก็ไม่ถนอมพระเจ้า 100 บาท ร้อยบาทเองก็ไม่ได้สร้างวัดบาทนี่ก็ไม่ได้สร้างวัดแล้วซื้อกับข้าวกินหมดก็ เป็นอ่าเป็นต้น เนื่องจากจ่ายใช้สอยไม่ไม่ต้องรู้เรื่องกันมาที่ ดังนั้นพลอากาศเอกปีรัตน์พล แล้วต่อมาเมื่อปีรุ่งอีกปีหนึ่งก็มีอีกจริงๆอยู่ 10,000 บาทบาท เมื่อจําระนี่ไป 1000 บาทแล้วเอาเงินอีกอีกอีก 4000 บาทไปให้เจ้าอาวาสพระเจ้า เราข้าไม่เป็นเรื่องของเจ้าอาวาสเขา เป็นเอาว่าที่กรุงพ่อขนมจีนบอกตรงๆตามความเป็นจริงนี้เวลากลางคืนพอย้ายกลับมาใหม่ถึงวันแรกย้อนกลับมาใหม่ทั้งวันแรกขณะที่ก็ 25 ปีดู ก็จึงนอนเฉยๆก็มีพระองค์หนึ่ง เมื่อท่านมาอยู่ที่นี่ผมเป็นคนเจ้าเรือค้าขายมีความน่าใสจะมาอยู่กับท่านช่วยท่านในฐานะเป็นช่างถ้าต่อมาก็บวชเมื่อ ถามว่าเป็นพระอริยเจ้าขั้นไหนถ้าบอกเป็นพระ เพราะนับเรื่อยมา 2 องค์ทั้ง 2 องค์พี่น้องชาญแต่ก่อนจะตายทั้ง 2 องค์เป็นพระ หลังจากนั้นต่อมาก็เป็นภิกขุพาณิชคำว่าภิกขุพาณิชก็ <c oughs> ไผ่ฝา 3 ตื่นขึ้นมาจากที่นอนปรากฏว่าบังเพดิ๋ มีโยมอะไรอีกคนน่ะ 3 คนนี่แหละเป็นคนส่งข้าวส่งน้ําต่อมีคนโยมเต๋อเจ้เกิ่มกี่ส่งอาหารตอนก่อนก็จ้างเค้าทําแล้วต่อมา เวลานี้ท่านก็ยังส่งเป็นโตอยู่ทุกวันหลังจากปี ความแห้งหุงข้าวกินที่ยังไม่จะเป็น <c oughs> 62 ตัวหมาที่ท่านนํามา 14 นาที เมื่อมาถึงประเทศ 2 3 วันตอนค่ําใหม่ๆก็ ถวายวัดกระตุกเท้าทําไมท่านบอกว่าคืนนี้ขโมยจะเข้าลักพระในโบสถ์ให้บอกเจ้าอาวาสเวลานั้นมีนาคคือมีคนที่จะ ถ้ามีอะไรไม่เกินวิสัยทั้งกำนันองุ่นช่วยทุกอย่างเรียกสละร่างกายชีวิตร่างกายเพื่อเพื่อวัดจริงๆแตกต่างกับทายกท่านทายกไม่เอาไหนเลยมีต้องการอย่างเดียวขนออกก็ขอกำนันองุ่นขนเข้าถ้าทั้งก็ทางปากคลองที่ แล้วก็มีเอ่อฝั่งโรงข้ามก็มีคนทุกข์คนตนทุกข์แต่ปัญญาดื่มเชื่อพ่อกับหลวงจีนมาไล่ฟังถึงบ่เส็งท่านบอกว่าวัดนี้ที่ตั้งอยู่เวลา แม่น้ำเดิมจริงๆมันอยู่กลางเดิมจริงๆนะแม่น้ำที่ใสๆมันเล็กสระกะปเรียนอยู่กลางแม่น้ำเสาหงก็อยู่กลางแม่น้ำในปัจจุบันแล้วต่อมาเมื่อมีราเมวิ่งเข้า <c oughs> อ่าตักดินน้ําบึงๆไกลๆท่านก็ชี้ไปดูในที่สร้างๆแล้วเล่าความผมให้ถามไอ้อ่องดูคําว่า ก็รู้ 93 ปีก็ถามโยมทางความเป็นมาคือวัด ตบจริงแม่น้ำตอนด้านหน้านี่แห้งต้องกินน้ำในๆอย่าง เดินได้ประมาณที่เด 2 ก็มีคนคนหนึ่งเดินไปเดินมาอยู่กลางบริเวณนั้นที่โล่งใกล้ๆกับเพดนอนเธอถามว่าใครเข้าต่อกูเองว่ะทํามาทําไมกูมาเดินยามกูอยู่ยามทีแรกเธอจะหยิบปืนก็หยิบไปขึ้นจะหยิบไปฉายก็ ถ้าว่าท่านเป็นใครท่านเลยบอกกูว่าเป็นเทวดาอยู่ที่ข้างต้นโผนี่ว่ะเวลานั้นอาตมานอนอยู่ข้างต้นโผตอนระหว่าง ก็ไปนั่งอ้างว่าขโมยเข้า 300 ปีไปแล้วไป 1 ชุดละแล้วต่อมา แล้วคลุกให้กินมันก็กินกันแบบอะไรอร่อยกินได้แบบอัศจรรย์แต่ผัก อธิบดีนาที 4 พระจะพระจะสวดมนต์อาตมาก็กลับเมื่ออาตมากลับมารับปรากฏมีเจ้าสนรรค 50 ว, 60 ตัวทั้งหมด 62 ตัวมาถึงเห็นเจ้าดำหายไปตัวหนึ่ง พอเข้านอนก็ปรากฏว่าเดียวได้เสียงโฮกหน้าประตูของตัวก็วิ่งออกเวลานั้นเป็นขอภัยวิ่งไล่ออกไป 3 สายไล่ ที่ติดผ้ากางเกงหลุดมันกัดแต่ผ้าหลุดแต่คนไปได้เข้าใจว่า เจ้าดำมันกัดตัวพอกัดแล้วมันก็โฮกโฮกส่งเสียงเรียก จะปียัดดาจะว่าอย่างนั้นก็พลีชีพเพื่อเจ้าของของมันเพื่อทรัพย์สินของเจ้าของ ในการก่อสร้างครั้งแรกก็ซื้อถือว่าเป็น 2504 503 ขอ 513 มี 4 ต้นเวลา 2 ต้น 2 ต้นท่านที่ 4 ต้น และหน่อยข้างบนให้มันลมพัดยินเย็นตอนเวลานั้น ก็รีบสร้างให้ทันก็เป็นการรีบสร้างก็มี ทักมือช้าลงสร้างเป็นรายวันรีบทําเอา ปีแรกพระขนาดได้เริ่มสร้างอุตติถ้าบอกคาถาบทหนึ่งว่าคาถาบทนี้เป็นคาถาหาเงินท่องถ้าต่อมาให้คาถาปีนึงคาถาบทที่ 2 ว่าคาถาเงินแสน กัจจาเจษฎาวัตรศรัทธามีศรัทธามีปัญญามี ที่เขามัน พ่อก็อยากจะสร้างบ่ออยากจะซื้อที่ตรงนั้นให้ได้หรือเราก็จะให้ไร่ละ 10,000 หนู แล้วก็ถามสถาสามีว่าพี่ยอมมั้ยอาจารย์ก็ถึงเลยบอกถ้าเธอให้ฉันก็ให้ฉันพร้อมจะให้อยู่แล้วแต่ฉันกลัวเธอจะที่ป่าโน้นจากมูลสอง 12 ไร่ การสร้างวัดท่าทรงแล้วไม่มีไม่มีเงินก้อนมาจากไหนมา